ข้อความในมิลินทปัญหาที่สี่ปฏิปทาโทสะปัญหาหน้ายี่สิบสามเล่มสามเนี่ยนะพระเจ้ามิลินได้กล่าวเปลี่ยนถามพระพระรนาคเษนเกี่ยวกับเรื่องข้อปฏิบัติ <c oughs> ปฏิปทาโทสะโทส ะ, ะ, ะโทสะแปลว่าโทษนี่ยนะสิ่งที่มันมีโทษอะ่ะโทษของการปฏิบัติเนี่ยนะปัญหาที่กล่าวถึงโทษของการปฏิบัติว่าการปฏิบัตินี้มันเป็นโทษ อ, อย่างไร แล้วก็ปัญหาข้อนี้เป็นปัญหาที่ของส่วนตัวนี้ชอบมากเหตุผลที่ชอบเพราะว่า6ปีของพระโพธิสัตว์นั้นท่านปฏิบัติถูกต้องพลาดบางเรื่องเท่านั้นเองไม่ใช่ท่านผิดทุกเรื่องท่านผิดเฉพาะเรื่องอาหารกับเรื่องอิริยาบทเท่านั้นนะส่วนข้อปฏิบัติในด้านอธิสีนออธิจิตอธิปัญญาไม่ผิดพลาดเลย นนะท่านไม่ได้ปฏิบัติผิดเลยเนี่ยนะพันจากปัญหาอันนี้นายมิรินถ้าปัญหาอ น, นี้ตอบข้อความนี้ได้ชัดเจนมากเทพนากเกษรกล่าวซึ่งก็ตรงตามพระไตรปิฎกหลายแห่งว่าพระโพธิสัตว์นั้นหปีที่ทำํำทุกรักกิริยาเนี่ยนะทุกรักิริยาไม่ใช่ท่านไม่รู้เรื่องอะไรเลยสัมผัสแต่ความเจ็บปวดทุกอนูบอกไม่ใช่ท่านเจริญอินทรี่ห้าจริงๆ ขณะที่ท่านทุกขทรมานนั้นท่านเจริญสัตินสีวิริยินสีสติินสีและสมาธินสีเพียงแต่ว่าอิริยาบทมันไม่สมดุลเกี่ยวกับเรื่องอะไรหลายๆอย่างเท่านั้นเองแต่การเจริญอินทรีห้าเจริญมัชฌิมาปฏิปทาจากพระสูตรหลายสูตรในพระไตรปิฎกด้วยและในมิลินทปัญหาอันนี้ด้วยทําให้เห็นชัด พระคุณเจ้าหน้ากเกษตั้งแต่พระโพธิสัตว์ได้บำเพ็ญทุกขรกิริยาแล้วทุกขระกิริยาแปลว่าสิ่งที่ทําได้ยากเช่นอดข้าวซะพร้อมกระรองถึงเรียกว่าลูบท้องถึงหลังรูปหลังถึงท้องเนี่ยนะลูบตัวปั๊บขนนร่วงเลยอย่างเงี้ยตาดวงตาเนี่ลึกแมกนีซียโครงก็โคตงอไปหมดเนี่ยนะผิวก็คนละผิวไปเลยเนี่ย เขาบอกว่าพระโพธิสัตว์เนี่ยตั้งแต่บำเพ็ญทุกขรักิริยาแล้วการปรารบความเพียรเรียกว่าอา ร, รัมพธาตุมิกรรมธาตุเนี่ยนะการปรารบความเพียรการทําความเพียรในการก้าวออกไปการรบกับกิเลสการกําจับพลร مان การกําหนดอาหารการบำเพ็ญทุกขรกิริยาที่เช่นนี้ที่เป็นเช่นนี้ก็ไม่ได้มีในคราวอื่นอีกความทุกข์ทรมานทั้งหลายที่พระองค์ได้ทําตอนที่เป็น พระโพธิสัตว์พอได้เป็นพระพุทธเจ้าพระองค์ได้ทำอีกต่อไปไหมไม่เคยทำเลยไอความทุกข์ความเดือดร้อนความลำบากทางร่างกายที่พระองค์เคยทำที่ตอนเป็นพระโพธิสัตว์ทำทุกขะลกิริยาพอหลังจากนั้นพระองค์ก็ไม่ได้เคยกลับไปทาอีกเลยตัวพระองค์เองนะซึ่งเมื่อพระองค์นั้นมีความ บากบั่เห็นตานชะนีตอนที่ทําทุกขรกิริยาด้วยความเหน็ดเื่อยทุกยากลําบากก็ไม่ได้ทรงรับคุณวิเศษอะไรอะไรจึงทรงล้มเลิกพระไถยเสร็จแล้วพระองค์ก็ยังตรัสอย่างนี้ว่าเราไม่ได้บรรลุอุตรีมนุสธรรมคืออัมภ์ผลนิพพานเพราะ น, นะซึ่งความรู้พิเศษพอที่จะเป็นพระอริยเจ้าเรียกว่าอุตรีมนุสธรรมคือมักผลนิพพานเนี่ยที่สามารถทําให้เป็นพระพุทธเจ้าด้วยการทํา ทุกขระกิริยาที่เผ็ดร้อนนี้ความเป็นพระพุทธเจ้าไม่ได้อยู่ที่อดอาหารความเป็นพระพุทธเจ้าไม่ได้อยู่ที่กลั้นลมหายใจจนปวดศีรษะเป็นต้นหรือนั่งจนไม่ขยับจนจะเรียกว่าแม้ถ้าเป็นคนธรรมดาคงตายอย่างนั้นทำถึงขนาดนั้นพระองค์บอกว่ามรรคผลของพระองค์ไม่ได้เกิดจากทุกขระกิริยาไอ้ความเดือดร้อนเหล่านั้นเลยตอนหลังจากนั้นเนี่ยนะพระองค์บอกว่า พงว่าไอการบําเพ็ญทุกข ร, ริยาธรรมสิ่งที่ทําโดยยากจนพายพร้อมทุกร้อนเนี่ยนะจนวิงเวียนเต้นไปหมดอ่อนเพลียไปหมดแต่สติสัมปชัญญะไม่เคยหลงลืมเลยนะไม่เคยเบลอไม่เคยเผลอไม่เคยเผลอไม่ไม่เลอะเลือนไม่อะไรแม้แต่นิดเดียวแต่กายเนี่ยเดือดร้อนมากๆเลยนะ แต่สติสัมปชัญญะดีเหมือนเดิมทุกประการไม่มีไม่มีความเปลี่ยนแปลงอะไรเลยดูในสัจกะสูตรเนี่ยนะมหาสัจกะสูตรนี่จะเห็นชัดว่าอ่าแค่เรื่ออะไรนะใช้คําว่าบําเพ็ญเพียรทางกายกับบําเพ็ญเพียรทางจิตเนี่ยนะบำเพ็ญเพียรทั้งทางร่างกายของพระองค์ถึงขนาดนั้นแต่พระองค์ก็ไม่เคยสติสัมปชัญญะเลอะเลือนเป็นต้นไม่มีเลยที่จะเลอะเลือนเบลอหรืออะไรเข้าใจผิดพลาดอะไรเป็นต้นไม่มี แต่ไอทุกขระกิริยาตัวนั้นไม่ได้ทำให้พระองค์ตรัสรู้ตอนหลังพระองค์ก็คิดว่าทางอื่นเพื่อการตรัสรู้มีหรือหนอเสร็จแล้วพระองค์ก็เหนื่อยหน่ายจากการทำทุกระทุกขระกิริยาเช่นนั้นตอนหลังก็บรรลุพระสัพพัมญุตยานโดยทางอื่นโดยอะไรโดยประพฤติมัชฌิมาปฏิปทาอารยาิยมรรคอันประกอบไปด้วยองค์8ตอนที่พระองค์อ่บรรลุ หรือข้อปฏิบัติที่ทำให้พระองค์บรรลุเป็นพระพุทธเจ้าคือมัชฌิมาปฏิปทาข้อปฏิบัติอันประกอบไปด้วยองแปดนั้นมีอาหารอยู่ในนั้นไหมในมรแปดมีคำว่าอาหารอยู่ในมรแปดไหมอาหารคือคำข้ากับพลิงกระหารมีไหมในมรแปดไม่มีอิริยาบถอยู่ในมรแปดไหมไม่มีพันไอการทาตัวเองให้เดือดร้อน โดยอาหารโดยอิริยาบถโดยลมหายใจพิ้นต้นพงเรียกว่าอัตตกิระมัานุโยกแต่ถ้าบำรุงบำเรอปลนเปลอแล้วสแสวงหาความสุขในอาหารเป็นต้นก็เรียกว่ากามัสุขัลิกานุโยคเพรันมัชฌิมาปฏิปทานนั้นเป็นอริยมรรคอันประกอบด้วยองค์8เนี่ยนะนะจึงไม่ได้เกี่ยวว่าอาหารนั้นเป็นอย่างไรแต่อาหารเป็นต้นก็เป็นสัปพายะเนี่ยนะผนะู้พูดถึงสัปพายะของอริยมรรค ทีนี้ย้อนกลับมาว่าหลังจากที่พระองค์ตรัสรูบ้บรรลุมรรคผลนิพพานบรรลุเป็นพระพุทธเจ้าแล้วซึ่งพระองค์ก็ปฏิเสธแล้วว่าพระองค์ไม่ได้บรรลุมรรคผลนิพพานเพราะทุกขะกิริยาแต่พอเป็นพระพุทธเจ้ามาแล้วสิกลับโอวาทอนุสาเที่ยวพร่ำสอนชักชวนสาวกตั้งหลายด้วยปฏิปทานี้ว่าอารัมพะทะนิคมถทยุญฉะปุทตสาสเนทุนาทมัจจุโนเซนัง นาลาคารังวกุญชโรแปลว่าวพวกเธอจองปราบรความเพียรอรัพธเนี่ยนะจงปราบความเพียรรือเริ่มที่จะทําความเพียรไปเรื่อยแล้วก็เป็นการเพียรก้าวหน้าไปยิ่งยิ่งขึ้นไปน่ยนะจงประกอบในพระพุทธศาสนาประกอบคือประกอบสมถะและวิปัสนาในพระพุทธศาสนาอนยญชะธะตัวนั้นจริงๆเป็นคำว่าสมถะจงประกอบตนไว้ในสิกขาในพระพุทธศาสนานี่แหละ และก็กําจัดกองแห่งเสนาะกองทัพพยามัจจุกําจัดตัวนั้นเป็นชื่อของปัญญาสิกขาหรือปัญญินรียอารัมพธาณิคมาะเป็นชื่อของวิริยินรียันชะทะการประกอบตัวนั้นเป็นชื่อของสมาธินรกนนะีการกําจัดเนี่ยนะการกําจัดเสนาแห่งมัจจุราชทุนาถะตัวนั้นเป็นชื่อของปัญญินรีก็พระองค์สอน วิริยินทรีสมาทินทรีและปัญญินทรีนะนะว่าเธอจงปรารบความเพียรจงก้าวออกไปจงประกอบความเพียรในพระพุทธศาสนาจงกำจัดกองะ น, นะกองทัพแห่งพยามัจจุเหมือนช้างทำลายเรือนไม้อ้ฉะนั้นเถิดก็แปลว่าให้ปฏิบัติในศิขาสามที่นี้โดยพยัญชนะมีคำว่าจงปรารบความเพียรจงก้าวออกไปมีคำนี้อยู่พระคุณเจ้านากเกษ เพราะเหตุไรพระตถ า, าคตพระองค์เองเนี่ยทรงเบื่อในไม่ทรงยินดีในปฏิปทาใดแต่กลับทรงอนุสาดพร่ำสอนชักชวนสาวกทั้งหลายด้วยปฏิปทาเหล่านั้นเล่าตัวเองบอกไม่ชอบตัวเองบอกว่าไม่ได้บรรลุมรรคผลเพราะทําแบบนี้เสร็จแล้วพอแม่สั่งสาวกเลยเธอจงไปป่ารบความเพียรจงไปก้าวหน <S <S ้าบางสูตรเนี่ยมาว่าเธอบอกว่าป่าอะไรนะบางแห่งเนี่ยบอกว่าป่านี้จะงามเพราะอะไร <S <S พระองค์บอกเลยว่าคนที่นั่งและอธิษฐานแล้วถาไม่บรรลุแล้วไม่ลุก จะเหลือแต่นังเอ็นกระดูกก็ตามทีเนื้อและเลือดในสรีระจงหเหือดแห้งไปถ้าไม่บรรลุไม่บรรลุว่างั้นน่ะ <c oughs> พระองค์กลับแนะนําให้ทําอย่างนั้นโดยซ้าไปท <c oughs> ําไมแบบตัวพระองค์เองบอกว่าพระองค์ไม่ได้ไม่ได้บรรลุมรรคผลเพราะทุก ร, รักกิริยาบรรลุเป็นพระพุทธเจ้าเพราะทุก ร, รักกิริยาแต่คําสอนกลับสอนแหมจงภาพเพียรจงพยายามจงก้าวหนะ้าแต่เชื่อไหม แต่ถ้าคนศึกษาไม่ดีเนี่ยเข้าใจเฉพาะความเพียรคือร่างกายเช่นโดนทั้งวันทั้งคืนเป็นต้นเนี่ยจริงๆแล้วคำว่าเพียรในทีน่นี้วิริยะเนี่ยนะสั ม, มประธานสี่คืออะไรสั ม, มประธานสี่เนี่ยนะคืออะไรเพียรกรรมจัดอกุศลที่เกิดขึ้นแล้วเพียรระวังไม่ให้อกุศลเกิดขึ้นเพียรให้กุศลเกิดได้บ่อยๆให้มากแล้วก็รักษากุศลและเพิ่มพูนกุศลอยู่อย่างนี้นั่นแหละเรียกว่าความว่าเพียร อรัปรธาธ น, นะอรัปธาต์านี่ธรรมะเนี่ยนะจงปรารบความเพียรจงก้าวออกไปจงปรารบในการเจริญกุศลเอาไว้เถอะจงออกจากอากุศลจงปรารบเพื่อกุศลและจงออกจากอากุศลและประกอบจิตไว้กับสมถะและวิปัสสนาและกำจัดเสนาเอ่กำจัดมัดจุหรือกองทัพมัดจุด้วยอรยิยมรรคกส็สอนให้เจริญศิขาถ้าในพระสูตรสูตรนี้จริงๆแล้วไม่ได้สอนให้ไปทำทุกขกิริยาอะไรเลย แต่พระเจ้ามิลินเนี่ยถ้าดูจากพยัญชนะเหมือนอย่างว่าพระองค์ใช้ให้พระพิโ์ไปทำด้วยความเดือดร้อนทุกขารมานให้ไปทำอัตตะกิละมถฐานุโยกนี้ประเด็นมันก็มีอยู่สองอย่างว่าตอนแรกบอกว่าพระองค์ไม่ได้บรรลุเป็นพระพุทธเจ้าเพราะทุกกกิริยาอันนี้ดับที่หนึ่งซึ่งออกมาปฏิเสธเลยนะอย่างที่สองพระองค์บอกว่า จงปรารบความเพียรเป็นต้นในพระพุทธศาสนาเอ้มันสองคำนี่มันขัดกันเองซึ่งเราก็บอกว่าอา้าวตาหนิข้อปฏิบัติใดกลับใช้สาวกให้ไปปฏิบัติในข้อปฏิบัตินั้นอันนี้จริงๆแล้วเกิดจากความเข้าใจในข้อปฏิบัติผิดพลาดนั่นเอง <c oughs> ซึ่งพระนาคเสนก็ตอบว่าขอถวายพระพรมหมาปิฏฐิปฏิปทานในคราวนั้น ทั้งในคราวนี้นั้นหมายว่าตอนก่อนนั้นกับตอนนี้ตัวปฏิปทาคือศีลวิสุทธิจิตตาวิสุทธิทิฏิวิสุทธิกังขาวิตรณวิสุทธิปฏิปทายานทัศนาวิสุทธิเนี่ยนะตอนที่พระองค์ทาทุกระกิริยาพระองค์ทำได้หมดแล้วนะเจริญแล้วจริงๆเจริญวิสุทธิได้ทุกข้อละเว้นแต่ยานทัศนาวิสุทธิเห็นไหมพระองค์เจริญได้ขนาดนั้นจริงๆเจริญวิสุทธิเหล่านั้นได้อย่างมากเลย แต่ไอ้ที่บอกว่าปฏิปทาตอนที่พระองค์เป็นพระโพธิสัตว์ตอนที่ไปทําทุกขกิริยาปฏิปทาคือการเจริญสิกขาสามกับตอนที่เป็นเหตุให้พระองค์ได้บรรลุสัพพัญญุตญาณ น, นั้นปฏิปทา น, นั้นคือสิ่งเดียวกันคือยังเจริญสัตทินีต่อตามเดิมเจริญวิริยินทรีย์เจริญสตินรีย์เจริญสมาธินรียและเจริญปัญ ญ, ญีย์ต่อตามเดิมแปลว่ามไม่ไดอ้อะไรนะ ไม่ได้ทิ้งงานตัวเดิมเลยแต่ทิ้งอะไรนะวิถีชีวิตบ้างบางส่วนซึ่งพระนาคเษสนอธิบายต่อไปว่าขอถวายพระพรก็แต่ว่าพระโพธิสัตว์เนี่ยทรงกระทําความเพียนเกินไปไอ้ข้อเขาเพียนเกินในที่หมายถึงอะไรทรงห้ามอาหารทรงห้ามขาดอาหารโดยสิ้นเชิงก็คื อ, คอตัดตัดอาหารสปายะออกไป พระโพธิสัตว์เนี่ยปฏิบัติตอนนั้นเนี่ยท่านเจริญอยู่ในข้อปฏิบัติที่ถูกต้องแหละแต่ในส่วนของจิตใจอ่ะนะปฏิบัติถูกต้องแต่ในส่วนของร่างกายนั้นกลับตัดอาหารโดยสิ้นเชิงซึ่งถือว่าปฏิเสธตอนนั้นเนี่ยอยู่ ค, คือคืออิงอิงลัฐที่ที่บอกว่าปฏิเสธอาหารสัปายะเพราะฉะนั้นต้องอดให้ทรมานที่สุดให้ทุกข์ที่สุดให้เจ็บปวดที่สุดเท่าที่จะทําได้เพราะองก็ตัดอาหารสัปายะออกไปใช่ไหม ตอนหลังพระองค์ก็เห็นคุณว่าอาหารสัปปายะนั้นสําคัญต่อการบรรลุมรรคผลซึ่งตอนที่พระองค์ตัดขาดอาหารนั้นพระองค์ก็เกิดพระทัยที่อ่อนกําลังเพราะมีพระทัยอ่อนกําลังไปจึงไม่ทรงสามารถบรรลุพระสัพพัญญุตยานได้ <c oughs> นะคือร่างกายนี่มันเต็มทีแล้วนะจะพยุงตัวก็ไม่ไว้อะไรก็ไม่ไหวแล้วไอ้ร่างกายที่เหน็ดเหนื่อยอ่อนเปลี้ยแล้วก็กลั้นลมหายใจเป็นต้นนั้นอะ จะรองรับสัพพัญยุตยานได้อย่างไรพระโพธิสัตว์นเมื่อทรงหวนกลับมาเสวยพระกับพระลิงกระหานอาหารเป็นคำๆจซึ่งคืนสุดท้ายวันสุดท้ายก็วริโภคหรือเสวยเข้ามาทุกปายาตเนี่ยนะอย่างเพียงพอแล้วพอดี49่สิบเกคางั้นปั้นนแล้วก็ทรงบรรลุพระสรัพพัญยุตยานต่อการไม่นานเลยเพราะอะไรเพราะได้อาหารสรัปายเนี่ยนะ ตอนนั้นเนี่ยที่ไม่บรรลุเป็นพระพุทธเจ้าเพราะอาหารส ป, ปายะตัวเดียวนะไม่ใช่เพราะเรื่องอื่นเลยนะที่สำคัญเพราะอะไรเพราะก่อนหน้านั้นมาห้าหกปีไม่ได้ปฏิบัติผิดเลยเนี่ยนะถ้าตอนนั้นพระองค์คิดผิดหลายเรื่องพระองค์เอาออกมาแก้และตอนนั้นเราคิดพลาดตอนนี้เราคิดผิดเป็นต้นเนี่ยนะไม่มี พระองค์บอกว่าเมื่อเราเป็นพระโพธิสัตว์ยังไม่ได้ตรัสรู้เราคิดว่าอะไรหนาคืออัสาทะแห่งท่าศีอะไรคืออาทีนวะแห่งท่าศีอะไรคือนิสรณะของท่าศีตอนที่เรายังเป็นพระโพธิสัตว์ยังไม่ได้ตรัสรู้นั้นเราคิดว่าอะไรเนอเป็นอัศทะของอุปาทานขันห้าอัศทะแห่งรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณอะไรเป็นอาทีนวะพิษภัยทุกโทษของขันห้าอะไรเป็นนิสรณะของขันห้า พระ อ, องค์กล่าวแต่อย่างนี้นะเป็นการวิจัยตลอดเลยแต่ว่าวิจัยแบบเรียกว่าธรรมะวิจัยค้นคว้าเพื่อให้เห็นอริยสัจในอิริยาบในร่างกายที่อ่อนเปลี้ยเต็มทีที่เหน็ดเหนื่อยเต็มทีถึงอย่างนั้นพระ อ, องค์ก็ไม่ย่อท้อเนี่นะไม่ย่อท้อไม่ไม่เบื่อหน่ายอะไรแต่เห็นว่าในที่สุดพระ อ, องค์ก็บอกว่าไม่ใช่ทางคือเว้นอาหารโดยเด็ดขาดถ้าคืนทําต่อจากนี้ก็ตาย นะซึ่งสิ้นชีวิตแน่นอนเพราะสมณะพรามหมลาดาใดที่เคยมีในอดีตอดีตอนาคตจวบจนปัจจุบันที่ทําทุกขกริรมทําแค่นี้แหละเกินกว่า น, นี้นิดเดียวก็ตายแล้วว่างั้นน่ะมันพงษ์ก็เลยเลิกแล้วก็กลับมาสวยพระกยาหารซึ่งได้อาหารสัปปายะนั่นแหละเป็นปัจจัยสําคัญให้เกิดการตรัสรูม้ไม่ได้เปลี่ยนข้อปฏิบัติอย่างอื่นเลยนะเพิ่มอานาปานสติเข้ามาตัวเดียวนะเพิ่มเข้ามาตัวเดียวคือเพิ่ม อานาปานสติซึ่งก่อนหน้านี้พระองค์ก็ไม่ได้ปรารอมาอานาปานสติมากแต่ก็ไม่ใช่ไม่เจริญนะตอนที่ร่างกายอ่อนเปลี่ยนั้นท่านก็เจริญเจริญอานาปานสติแต่ว่าเนื่องจากว่าร่างกายมันไม่ดีก็เลยตอนหลังก็ได้ทั้งสัปายะพระ้นสปายะในการบรรลุมรรคผลนั้นสาวกทั้งหลายทั่วทไปนั้นจะต้องมีครบเจ็ดแต่ถ้าของพระพุทธเจ้าเรื่องอาหารเรื่องอิริยาบทอีกหลายเรื่องอนะ ท, ที่เกื้อกูลต่อการบรรลุมรรคผล เพราะฉะนั้นพอพระองค์บริโภคกับพระลิงกระหานไม่นานถัดจากนั้นก็บรรลุเป็นพระพุทธเจ้าขอถวายพระพรพระตถาคตเจ้าทุกพระองค์ล้วนมีปฏิปทาเพื่อบรรลุพระสัพพัญญุตญาณเป็นอย่างเดียวกันนั่ น, นแหละพระพุทธเจ้าองค์ที่ทําทุกระกิริยาหรือไม่ทําทุกรกิริยาปฏิบัติมัชฌิมาปฏิปทาปฏิบัติตามอริยมรักอันประกอบไปด้วยองค์8เหมือนกันแต่หลักการก็มีอยู่ว่ากําจัดนิวรณ ปฏิบัติเพื่อกำจัดนิวรณ์มีจิตดำรงมั่นอยู่ในสติปัฏฐานสและอ บ, บรมหรือเจริญพชอชงเจ็ดจึงได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้ามันโดยหลักการนั้นเป็นอย่างนั้นคือตอนแรกก่อนนะเน้นกำจัดนิวรตรึกอย่างไรพิจารณาอย่างไรจึงจะ ก, กำจัดนิวร์สตินั้นดำรงอยู่นั่นอยู่ในอสุภะคำว่าบางทีเนี่ย คนบางคนที่ไม่เข้าใจเรื่องสติปัฏฐานเนี่ยมันเกิดการเข้าใจผิดบอกนี่ไงสติตั้งไว้ที่สติปัฏฐานสติปัฏฐานเนี่ยกายานุปัสสนาตั้งไว้โดยอะไรตั้งไว้โดยอสุภะถ้าจะตั้งไว้ในรูปประคันเมื่ อ, อไรอย่างไรก็ต้องตั้งไว้โดยอสุภะจึงจะเรียกว่ากายานุปัสสนาถ้าตั้งไว้โดยความเป็นทุกข์แห่งเวทนาตั้งไว้ในความไม่เที่ยงแห่งจิตทั้งหลาย ตั้งไว้ในความเป็นอนัตตาของธรรมทั้งหลายเช่นนิวรณ์เนี่อยอนัตตาของนิวรณ์ควรทํำยังไงอนัตตาของขันอาญตนะควรทํำยังไงอนัตตา ข, ของโพชฌงทํำยังไงอริยสัจเป็นอนัตตาไหมเป็นอนัตตาของทุกขสัจทํำยังไงอนัตตา ข, ของสมุทยัยสัจทําอย่างไรอนัตตาของนิโรสัจจะทําอย่างไรและอนัตตา ข, ของอริยมรรคนั้นควร ปฏิบัติอย่างไรตั้งสติเอาไว้อย่างนั้นและเจริญเลือกเฟ้นคุณธรรมเหล่านี้ที่นํามาเสื่งการตรัสรู้เนี่ยเลือกเฟ้นจนประสบพบโพธิปัจขยธรรมในที่สุดพระองค์ก็ได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าและพระองค์ก็เอาสิ่งเหล่านี้มาสอนและก็สอนสิ่งที่พระองค์ได้เคยปฏิบัติมาหลายสูตร ด, ด้วยกันเนี่ยนยะโดยเฉพาะพระสูตรที่เกี่ยวกับก่อนตรัสรู้ตอนเป็นพระโพธิสัตว์เนี่ยนยะยที่เคยถ่ายเอกสารให้เล่ม พุทธคาเนี่ยเล่มที่พระพุทธเจ้าตรัสรู้เนี่ยเล่มนั้นจะมีไม่ใช่น้อยเลยว่าตอนเป็นพระโพธิสัตว์พระองคิดอะไรนะคิดตอนที่เป็นพระโพธิสัตว์ไม่ใช่ท่านไม่รู้เรื่องอะไรเลยนะนะแหมฟลุกเหลือเกินมานั่งแล้วก็กําหนดลมหายใจแล้วพออิญได้ฌานสี่เข้าพอพอเอิญได้ฌานสี่ก็กลายเป็นว่าแหมนึกระลึกชาติขึ้นมาก็ลึกน้อมไปก็เห็นสัตว์เกิดสัตว์ตายเลยพิจารณาปฏิเสธบรรลุเลยปฏิเจะนะพิจารณาก็เลยบรรลุเลย ผมเป็นเองสยามภูนใครมาบรรดาลให้อย่างภาพยนตร์สมัยใหม่ก็าบอกพระเจ้าบรรดาลให้ว่าเป็นนั่นเองกลายเป็นว่าพระองค์บรรลุพระอนุภาพของใครที่ไหนก็ไม่ทราบท่านจริงๆแล้วพระองค์เนี่ยนะถ้าเราศึกษาใ น, ในเชิงในส่วนของนา ม, มาธรรมของพระพุทธเจ้าก่อนหน้านั้นเนี่ยตอนสร้างบารมีเนี่ยท่านคิดอะไรคิดว่ายอย่างไร และตอนที่ท่านบําเพ็ญเพียรเนี่ยท่านคิดอะไรท่านทําอะไรตอนที่ท่านตรัสรู้ท่านตรัสรู้อะไรตรัสรู้ว่าอย่างไรเ <c oughs> มื่อตรัสรู้แล้วท่านคิดอะไรแล้วพูดอะไรออกมาพูดอะไรแล้วท่านสอนอะไรแล้วมีผู้ที่เขาบรรลุตามอะไรเป็นต้นเนี่ยถ้าเราจับจับหลักการในลนนักษณะนี้ศึกษาพระธรรมก็พอจะเห็นแนวทางแล้วในการศึกษาพระธรรมในท่ามกลางความสับสนว่าพระพุทธเจ้าตรัสรู้อะไรกันแน่ตรัสรู้อย่างไรกันแน่ ตรัสรู้ว่าอย่างไรกันแน่ทำเหมือนเราใช่ไหมจึงเรียกว่าทําตามคําสอนคนอื่นที่ไม่ทําเหมือนเราเรียกว่าไม่ทําตามคําสอนใช่ไหมหรือทุกคนล้วนแต่ทําตามคําสอนแล้วทาไมผลมันออกมาไม่เหมือนกันแล้วมั น, ม, นมันคืออะไรกันแน่เป็นต้นเพฉะั้นคนที่อยู่ท่ามกลางความสับสนตรงนี้เนี่ยจะต้องพยายามเอาที่เราเราต้องไม่ลืมว่าเราศึกษาพระพุทธศาสนาศาสนาของ พระพุทธเจ้าไม่ใช่ศาสนาของอาจารย์ใดอาจารย์หนึ่งทั้งนั้นไม่ใช่ศาสนาของบุคคลใดบุคคลหนึ่งแต่เป็นศาสนาของพระพุทธเจ้าเราก็ต้องมาทบทวนว่าพระพุทธเจ้าท่านปฏิบัติอะไรคิดอะไรตรัสรู้อะไรตรัสรู้ว่าอย่างไรแล้วท่านสอนอะไรผู้ที่เขาฟังแล้วเขาบรรลุอะไรแล้วบรรลุว่าอย่างไรเป็นต้นนะวันนี้มีนานมออินทสอนเถามแมนะผมนี่อยากมานั่งฟังท่าน ทำไมผมจะได้ถามว่าทำไมอะไรอย่างไรทำไมอย่างไรผมจะได้ถามว่าทำไมอย่างไรเมือออ่อไหร่อย่างไรอย่างไรเนี่ยเขาจะได้ไปถามเหตุผลก็มีว่ามีคำถามอยู่ลห้าคำเขาบองั้นที่ต้องถามให้ได้ไมันต้องเข้าใจให้ได้เขาบอกงั้นหมอเขาเอาเรื่องงั้นนะจะได้แปดสิบกว่า ล, วละถ้าเราหมอถ้าเราอายุเท่านี้มันจะเป็นยังไงบ้างน้อเนี่ยนใ น, ะนใจไม่นึกเอาเล่าให้หมอฟังด้วยแหละ พันเกี่ยวกับเรื่องอาหารเนี่ยสำคัญมากเลยนะเกี่ยวกับเรื่องเกี่ยวกับตัวอาหารในฐานะปกตูปานิสยปัจจัยนะในคำพีปัฐานเนี่ยอาหาระนะอะไรนะอาหาระปกตูปนิสยปัจเยนะปจยโยเนี่ยคือคืออาหารเนี่ยอุตโภชนะเสนาสนะอ่าใชา่อุตโภชนะเสนาสนะก็เป็นอุปนิสัยปัจจัยโดยปกตูปนิสยปัจจัย พัอาหารเนี่ยถือว่าเป็นปัจจัยที่สําคัญแต่ที่สําคัญนะตัวสําคัญจริงๆกลับไม่ใช่อาหารหรอกตัวข้อปฏิบัติที่ถูกต้องต่างหากข้อปฏิบัติที่ถูกต้องต่างหากแต่ทีนี้ว่าเราจะปฏิเสธอาหารไม่ได้เนี่ยนะพันธุ์อาหารก็สําคัญถึงปฏิบัติถูกต้องถ้าขาดอาหารเหมือนอย่างว่าเดี๋ยวต่อไปเนะี่ยจะมีคําอุปมาที่เข้าใจได้ไม่ยาก ขอถวายพระพรเปรียบเหมือนว่าสัตว์ทั้งหลายทั้งปวงล้วนแต่มีอาหารเป็นเครื่องอุปถัมภ์ค้ำจุนสัตว์ทั้งหลายทั้งปวงผู้อิงอาศัยอาหารย่อมเสเวยสุขฉันใดนะสุขในความ อ, ร, อร่อยเนี่ยนะ ขอถวายพระพรพระตถาคตเจ้าทุกพระองค์ล้วนทรงมีปฏิปทาเพื่อการบรรลุพระสัพพัญญุตยานเป็นอย่างเดียวกันทั้งนั้นนั่นเทียวฉันนั้นเหมือนกันแปลว่าทุกคนนี่แสวงหาความสุขด้วยอาหารปกตินะชาวโลกปกติสแสวงหาความสุขด้วยอาหารฉันใดพระพุทธเจ้าที่บรรลุเป็นพระพุทธเจ้าทุกองค์ต้องมาด้วยข้อปฏิบัติเหมือนกัน เหมือนอย่างที่ว่าถ้าใครเรียนคำว่าตถาคตเนี่ยนะพุทธคับว่าพุทธคุณบทว่าตถาคตเนี่ยจะรู้ว่าพระองค์ผู้เสด็จมาอย่างนั้นผู้เสด็จไปอย่างนั้นผู้เสด็จตรัสรู้สิ่งที่ท่องแท้ตรัสรู้สิ่งที่จริงแท้ท่องแท้ก็คือว่าพระพุทธเจ้าทุกพระองค์ล้วนแต่ปฏิบัติข้อปฏิบัติปุพพะจริยาคุณเช่นกับพระพุทธเจ้าองค์ก่อนๆทั้งนั้นเลยเช่นการตั้งความปรารถนาการส้าง บารมีเป็นต้นจะต้องเหมือนกันเนี่ยในที่หนึ่งในที่สองเมื่อหลังจากที่เราไปอย่างนั้นหลังจากประสูติมาแล้วเนี่ยนะมีบุพภณิมิตเช่นเดียวกันกับพระพุทธเจ้าองค์ก่อนก่อนทุกๆุกประการและตอนที่การเจริญวิสมัตถา ว, วิปัสสนาตามลําดับจนได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าก็เหมือนกันทุกประการ น, นะแต่ว่าเกิดกันคนละยคุคนละสมัยเรียกว่าห่างกันเป็นพุทธันดอนก็เลยกลายเป็นสิ่งที่น่าอัศจรรย์แต่จริงๆแล้วไม่มีความ ต่างกันแต่ว่าจะเกิดพร้อมกันก็ไม่ใช่ฐานะที่จะเป็นไปได้นะห่างกันเป็นอสศงไขปีเลยแหละพระพุทธเจ้าองค์หนึ่งถึงองค์หนึ่งเนี่ยห่างกันอสศงไขปีนะอางไขปีถ้าตัวเลขถ้าตัวเลข5ตัวเลขศูนย์หตัวกี่กีห้ีหมื่นเป็นหมื่นหลักหมื่นใช่ไหมเลข0ูนย์ห้าตัวเลขศูนย์ห้าตัวหลักแสนถ้าเลขศูนย์หตัวหลักล้านเลข0ูนย์เตัวสิบล้านเลขศูนย์ ลายขึ้นไปเรื่อยๆถ้าเลขศูนย์ริตัวนั่นแหละเรียกว่าสงไข่ปีพุทธเจ้าองค์หนึ่งถึงองค์นะงหนึ่งนีจริงๆอ่ะเลขูนย้อยสี่สิตัวแล้วมีตัวเลขห้อยท้ายอีกสักยี่สบสาิตัวนะเพราะะนั <c> ้น <oughs> ตัวนั้นแหละหว่าระหว่างพระพุทธเจ้าองค์หนึ่งถึงองค์หนึ่งเพราะนั้นสิ่งเหล่านี้แบบแทบคนไม่แค่ว่าคำว่าพุทธโธยังไม่ได้ยินนะไรกนเถอะจะกล่าวไปใหญ่ถึงการเกิดขึ้นมันห่างกันขนาดนั้นอ่ะห่างกันจริงๆ เพรันธ์จากพระพุทธเจ้าองค์หนึ่งถึงองค์หนึ่งจึงเนิ่นนานมากแต่สรุปว่าทุกองค์ล้วนแต่ปฏิบัติในข้อปฏิบัติเช่นเดียวกันมันพระพุทธคุณจึงไม่มีความต่างกันไม่ต่างกันในการลงอย่างลงสู่ขันไม่ต่างกันในการประสู寿จากขันไม่ต่างกันในการตรัสรู้ไม่ต่างกันในการประกาศพระธรรมจักรไม่ต่างกันในการแสดงธรรมไม่ต่างกันโดยการปรินิพานนี่นะ แต่อายุศาสนาอีคนละเรื่องอ น, นะเนีแต่อีกที่ส่วนที่เหลืออาจจะต่างตามการตามสมัยตามยุคตามบุคคลตามการสังสมบุญวาสนาเป็นต้นนะเนี่แต่ว่าส ร, รุปรวมๆแล้วเรียกว่าโดยบารมีปุพพจริยาคุณโดยพระพุทธสริระคุณอ่าส่วนที่มหาปริศลักษณาอนุพยัญชนะไม่ต่างกันพระพุทธคุณอรหันตคุณเป็นต้นไม่มีความแตกต่างกันนะั่นเหมือนกับสัตว์ที่ดำรงอยู่ด้วย อาหารว่าทุกคนก็จะเกิดประเทศไหนอยู่ที่ไหนก็อยู่ด้วยอาหารนั่นแหละพระพุทธเจ้าทุกพระองค์ก็ปฏิบัติด้วยข้อปฏิบัติเช่นเดียวกันนั่นแหละจึงตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้านั่นนะขอถวายพระพรเหตุที่ทําให้พระตถาคตไม่ทรงบรรลุพระสัพพัญญุตยานในสมัยนั้นได้นั่นไม่ใช่โทษของการปรารภความเพียรไม่ใช่โทษของการทําความเพียรก้าวออกไปไม่ใช่โทษของการรบกิเลส คือขณะที่พระองค์เจริญเจริญคุณธรรมเพื่อบรรลุเป็นพระพุทธเจ้าเป็นการเจริญศรัทธาใช่ไหมบอกใช่เจริญศรัทธาพระละใช่ไหม<อ>พ เ, พเพื่อไม่อะไรไม่หวั่นไหวในความเป็นผู้ไม่มีศรัทธาพระองค์เจริญวิริยะพระละเพื่อไม่หวั่นไหวในความเกียรคร้านพระองค์เจริญสติพระละเพื่อไม่หวั่นไหวในความประมาทพระองค์เจริญสมาธิพระละเพื่อไม่หวั่นไหวในความ ฟุ้งซ่านพระองค์เจริญปัญญาพระเพื่อไม่หวั่นไหวในอวิชัยยังไงก็ต้องเจริญพระหา้าแต่ด้วยร่างกายที่ขาดอาหารนนะร่างกายที่ขาดอาหารไม่ใช่โทษของการเจริญอินทรีย์ห้า ไม่ใช่โทษของการเจริญสัมมาประธานของการเจริญวิริยะไม่ใช่ทั้งนั้นอนะ่ะแต่ทว่านี้เป็นโทษของการห้ามขาดอาหารเป็นโทษของการปฏิเสธอาหารปฏิประานี้เป็นอันจำต้องมีประจำตลอดการทุกเมื่อทีเดียวปฏิปทาเพื่อบรรลุเป็นพระพุทธเจ้าเช่นความภาคเพียนคือสัมมาวายามะเนี่ยนะพระพุทธเจ้าทุกพระองค์ก็ต้องเจริญสัมมาวายามะอยู่แล้วไม่มีพระพุทธเจ้าพระองค์ใดทิ้งสัมมาวายามะถ้าขาดสัมมาวายมะเป็นพระพุทธเจ้าได้ไหม ไม่ได้เขเป็นไม่ได้เพราะที่ปักจยธรรมถ้าขาดสัมมาประธานเป็นไปได้ไหมก็ไม่ได้ขาดวิริยินทรียวิรยิยทธิบาศขาดวิริยินทรีวิริยะทละวิริยะสัมโพชฌงสัมมาวายามะมันขาดไม่ได้แต่วิริยะตัวเดียวบรรลุไม่ได้แต่วิริยะเป็นตัวกองหนุนเป็นตัวผลักดันองค์มรรคอื่นๆให้ทํากิจนะนะช่วยเหลือเหมือนกองทัพหนุนนะนะเหมือนกองทัพหนุนองค์มรรคอื่นๆเป็นเหตุให้เกิดการรบชนะ ที่พระองค์บรรลุเนี่ยบรรลุด้วยปฏิปทาคือมัชฌิมาปฏิปทามีสัมมาวายามะเป็นต้นอยู่แล้วแต่ที่ตอนนั้นไม่ได้บรรลุง่ายๆเพราะอะไรเพราะขาดอาหารขอถวายพระพรเปรียบเหมือนว่าบุรุษคนหนึ่งเดินทางไกลวิ่งไปด้วยกําลังแห่งความเร็วยิ่งเพราะเหตุนั้นเขาจึงบาดเจ็บไปบ้างวิ่งเร็วเกินไปใช่ไหมวิ่งเร็วเกินไปก็บาดเจ็บไปบ้างง่อยเปรี้ย เพลียไปบ้างเรียกว่า clear, ออนเพลียโมเรียวโมแรงฟุบอยู่ตรงนั้นเลยก็มีนะครั้งเราเนี่ยนะเป็นลมอยู่ตรงนั้นเลยสันจรไปบนพื้นดินอีกอ่าไม่ได้อีก <c oughs> ขอถวายพระพรโทษของแผ่นดินใหญ่ที่เป็นเหตุให้บุรุษผู้นั้นเป็นคนบาทเจ็บมีอยู่หรือเรียก <c oughs> ว่าใช้ถนนหนทางผิดประเภทแล้วทําให้ไม่ถึงเป้าหมายหรือว่าถึงเป้าหมายไม่เป็นไปตามกําหนดนั้นเนี่ยโทษถนนได้ไหม <c oughs> ไม่ได้งั้น <c oughs> พระเจ้าไมเยนก็บอกไม่มีรอกพระขุณเจ้าแผ่นดินใหญ่มีประจำตลอดการทุกเมือ่อพระขุณเจ้าแผ่นดินใหญ่นั้นจะมีโทษได้แต่ไหนเล่าเหตุที่ทำให้บรอดผู้นั้นเป็นคนบาดเจ็บไปนั้นนี้คือโทษของความพยายามนั่นเองเียกวใช้ใช้อะไรนะใช้วิธีบางอย่างผิดประเภท ขอถวายพระพรอุปมาฉันใดอุปมาก็ฉันนั่นเหมือนกันเหตุที่ทำให้พระตถาคตไม่ทรงบรรลุพระสั พ, พนัญญุตญาณในสมัยนั้นได้นี้ไม่ใช่โทษของการปรารบความเพียรไม่ใช่โทษของส ม, มประทานไม่ใช่โทษของการคำความเพียรก้าวออกไปไม่ใช่โทษของการรบกับกิเลสด้วยวิสมัติและวิปัสนาทว่านี้เป็นโทษของการห้ามขาดอาหารแล ปฏิปทานนี้เป็นอันต้องมีประจําตลอดกาลทุกเมื่อทีเดียวคือข้อปฏิบัติอย่างไรเสียพระพุทธเจ้าองค์ไหนก็ต้องเจริญเหมือนกันพระโพธิสัตว์องค์ไหนก็ต้องเจริญสมถะและวิปัสสนาเหมือนกันเพราะเทวะพระโพธิสัตว์ทุกพระองค์เห็นเทวทูตแล้วคิดเหมือนกันเห็นแล้วคิดเหมือนกันพอออกบวชมาแล้วก็ตึกเหมือนกันคิดเหมือนกันแต่อย่างพระพุทธเจ้าของเราเหตุอันหลักที่ทําให้พระองค์ตรัสรูช้ช้าก็เพราะเพราะอะไรนะี่ อันหนึ่งละก็เพราะตำาหนิงพระพุทธเจ้าองค์กรเอาไว้เนี่ยนะเพราะมิจฉาวาจาอันหนึ่งพันทำให้พระองค์น้อมไปเพื่อทำในสิ่งที่ทำได้ยากเนี่ยนะขอถวายพระพรอีกอย่างหนึ่งเปรียบเหมือนว่าบุรุษคนหนึ่งผู้นุ่งผ้าสาดกเส้าหมองเขาไม่ใช้น้ำซักผ้าผืนนั้นให้สะอาดข้อที่เขาไม่ใช้น้าซักผ้าผืนนั้นให้สะอาดอันนี้ก็ไม่ใช่โทษของน้ำ น้ำมีประจำอยู่ตลอดการทุกเมื่อนี้เป็นโทษของบุรุษผู้นั้นนั่นเองทีเดียวฉันใดขอถวายพระพรเหตุที่ทาให้พระตถาคตไม่ทรงบรรลุพระสัพพัญญุตยานในสมัยนี้นั้นไม่ใช่โทษของการปรารบความเพียรไม่ใช่โทษของการทำความเพียรก้าวออกไปไม่ใช่โทษของการรบกับกิเลสด้วย สมรฐานและวิปัสนาทว่านี้เป็นโทษของการห้ามขาดอาหารแหลปฏิปทานี้เป็นอันจำต้องมีประจำตลอดการทุกเมื่อฉันนั้นเหมือนกันเพราะฉะนั้นพระตถาคตจึงทรงอนุสาสสาวกทั้งหลายด้วยปฏิปทานั้นเหมือนกันเพราะข้อปฏิบัติตอนที่พรงเป็นพระโพธิสัตว์กับตอนหลังตรัสรู้มาแล้วก็ไม่ได้มีความต่างกันแม้แต่สอนสาวกให้บรรลุมรคลก็สอนไปในแนวเดียวกันแต่พระองค์ไม่ได้ใช้ให้สาวกไปทำทุกรกิริยา เช่นกับพระองค์เพราะทุกการกิรยิยาไม่ได้เป็นตัวให้บรรลุมรคผลแต่ความรู้สึกนึกคิดหลายๆอย่างในการภาคเพียรปฏิบัติท่านให้ไปทำแนวเดียวกันนะเพราะเป็นไปใน ต, ตามแนวไหนตามแนวมัชิมาปฏิปทาตามแนวเจริญอินทรียีประละโพชงและองค์มรคนั่นเองในหน้า27เพิ่มเล็กน้อยคำว่าประกอบในพระพุทธศาสนาก็หมายความว่าประกอบ ความเพียรย่อมสำเร็จประโยชน์โดยประกอบในพระพุทธศาสนาคือเจริญสมถะและวิปัสนาเนี่ยน ะ, ะสรุปว่าจากปัญหาข้อนี้เนี่ยนะพระเจ้ามิลินก็ยอมรับว่าดีจริงเนนะเห็นด้วยว่าออปฏิปทาที่พระองค์ปฏิบัติได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้ากับข้อปฏิบัติที่พระองค์เอามาแนะนาสาวกทั้งหลายข้อปฏิบัติเหล่านั้นเป็นอันเดียวกัน ในหนึ่งส่วนที่พระองค์ไม่ได้ใช้ให้ภาษาวกทั้งหลายไปทําเช่นกับพระองค์ก็คือทําทุกขระกิริยาหรือเฉพาะตัวที่อดอาหารเป็นต้นเนี่ยนะกลั้นลมหายใจเนี่ยแต่ก็มีอยู่ครั้งหนึ่งนะอะไรนะทำให้เอาลิ้นดุลเพดานในเรื่องของอะไรนะอาคุศลวิตกครอบงำนะมีอยู่ในวิตักกสันฐานสูตรเนี่ยนะวิตตักกสันฐานสูตรเนี่ยให้อะไรนะให้แบบกัดฟันเอาไว้เนะีเป็นต้นเพราะถ้ามันแม้ เพราะอะไรเพราะปล่อย5ห้กุศล น, นั้นเกิดขึ้นเดือดร้อนแน่ไม่รู้ว่าปาราชิกหรือสังคารที่เสกก็ไม่ทราบเน่นะเพราะฉะนั้นอาจจะกัดฟันบ้างก็ไม่ถึงกักกบหนักหนาโรค่างั้นก็ดีกว่าปาราชิ ก, กันแล้วกันนะ่างั้น